ยังไงอันที่ดีม้วนะแค่รีบตั้งนะให้ใหถาดมือมาแสจะจิตไม่ขาดศาสนาพุทจริงจริงสันุกเรื่องเดียร์ไม่ว่าคำเดียวจะไม่พุกมุกล่นน้องถ้าทองมีคือไม่พกมีพุกมีแไบมีทุกันจิตใหญ่ใช้ข้ากายอะไก็มีได้ มีตีค่าก็ไปตีค่านักศึกษาก็ไปสอนใจก็เป็นความคิดคนอิจฉาเนเลยซึ่งมันไม่ปอดใจสิ่งที้อยากได้สิ่งนี้ความอยากนี้มันไม่รู้จักอไม่จบอยากไปเรื่อยๆศาสนาบางศาสนาก็สอนังหานทความอยากเปนที่ใหญ่เป็นเจ้าันเมอะไรพวกนพกคนพวกเกมพวกปิ่เ ่นี่ที่ที่เรังานหมดแต่เรั้งนานตกเทคนิวฝนก็เก็บเขาก็จะดีดประมาณร่างกายกิีกรรมเวลาคักที่นอนบนตะปูหัวเข่าวลาคักก็อย่ไม่ไหวนี่คือเจ้าเขาที่พระพุทธเจ้าไม่เคยดีดเลยทุกคนที่ร้อต่อไปั่างก็ต้องมีเหตลจ เจิดจากความร้ายเดือดดาลของจิตใจเราเองจิตใจเราเนียกว่าไม่รู้รกาเป็นจร่งของธรรมชาที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวิสือไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามอยางแต่มันเป็นไปตามเหตุของมันเพราะฉะนั้นถ้าใครคุมเหตุปัใจัได้มากนะเอาพุทเพกิใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการไม่ใชนะ่แต่ว่าหยอบจำนวนนะบอกคุมไม่ได้แต่รู้หยาบจำนวนนี่ใช่ ก, การสอนการจัดการที่ต้เนเด็กอยากรวยต้องได้สอนที่ข ย, ยันทามานกินให้ได้จับประหยัใไห่คบคนเกี่ยวมิจับลงคุณกับสํงเตตสี่งต้องนีการที่เราจะเข้าใจสภาพธรรมะการคอนทนจริงมันจะทาให้ความอยากให้ยนรู้านี่หมดไป่เราเข้าใจค ว, กกวามจริงว่านั่งกายจิตใจบังคับไม่ได้พรมันแปรปรวนไป เราต้องไม่ตู้รถทุ่ดาถ้าเรารู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีทาไว้ไม่อยู่เราเนความสุขทั้งหลายที่เรามีมันยุติต้องหความทุกข์ทั้งหลายที่ผ่านมาก็ไม่ต้องตกใแต่นเราต้องผ่านไปแล้วเข้าใจทำไมพลาดติงนงเวลาที่จะเชิญกับการบริการต่างๆที่จะไม่ตู้รถทุร่ามีเครื่องมือในการต้นสอบต่อไที่ดีแรกสามว่าต้องการไม่ไม่ไม่ไม้ทุกข์ ก็เกิดกับปัญหาปัญหาจะเกยดกับความไม่เข้าใจความเห็งที่ของธรรมชาติเลยเพราะตัวเราเองรับรับไม่ได้กายใกรับรับไม่ได้นี้วีธที่จะละความไม่เข้าใจนี่คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้อ ง, ลอองลแล้วเาจเลกอยากไม่คิดแล้วก็ไ ม, ม่คุกซึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่สองครัวทสติกำลังด้วยกันไ คือเครื่องือในการทําตัวเป็นผู้สังเกตการปริบัติการทางกายในใจของเราเราสิส่ ง, ง ไ, นนไม่รอบแหวนรอบเม <c oughs> ื่อจำลองเลยสติที่พวกเรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่ยมงนั้นเราอ่านหนังสือไม่ได้ทํางานไม่ได้ลดไม่ได้ไม่ยิสติสติเป็นธรรมชาติที่ไปรู้ทำความเขา้าอะไรแตกปลอมขึ้นมาสติเป็นคนรู้ทัน นิสสติที่เราใช้ในทางโลกเป็นสสติที่เรียนติดอยู่ที่เรียนหนังสือทํางานเราพุทธเจ้าสอนสติหลักขั้นตัมมาสติของวิเดียตัวเอ ง, องวิเดียนรู้ตัวเองเพราฉะนั้นเระไม่สอบสติเราดึกอะไรที่ไกลเกินไปเราเรียนรู้กายเวทนาจิตธรรมเนตัวเองเองเพราะเราอยากรู้จักตัวเองจนกระทั่งตัวต่ตัวเองเราจยากองทุน รสติเนี่ยมันทํางานด้วยสองอักษณะมันมันกําหนดหร้อว่าลงที่พวกเราชอบทําันนะว่าสติไปกำหนดเจาะเราไปหายใจก็สติจาะเขาไปที่ลมดูท้องท้องท้องยุบก็สติที่เข้ที่ท้องมีชาธรรมการสติที่เหนือสะดุงสองนิ้วที่ลงขันไม่แต่จี้ลงไปเกห็นั้นว่ามีการจี้ที่ลงไปกาหนดลงไปยังลงไปที่ใจที่นี ่ยกเท้าย่างเท้าสติที่ที่เท้าขยับมือหนุนหลงพเทียนลุกสิตหลวงพ่อเทียนที่ที่มือหลวงพ่เทียนขยับหลงพเีนรู้สึกตัวลุกสิตขยับที่ลงไปที่สติเนี่ยเมื่อไรออกสติเกิดกำเนดอาลมณความทุกข์เกิดขึ้นจริงจิงเนี่ยไม่ไม่กำเนดลมหายใจไม่ทูกขหรอกเริ่มกาหนดก็เริ่มทุกก็ไมเป็นเพราะจริงจริงเป็น ในกัจกาฝันมน่าฝนมากไม่เคยได้ดีกัจจักขาฝนอาว่าสติมันกำหนดรู้รูปนามิารมเ็นทุกข์ณหสตินี้แะเราเรากำหนดในความทุกข์ก็เกิดแห้ะตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมันยังทำให้สัตว์เี้เราเอาสติที่ยวกำหนดนี้อารมณ์ด้วย่สมุทไยอยากปฏิบัติสมุทย อยาสติแบบแล้วก็สิท so ี่เขาหลงเห็นสมปทาคือมาสู่ทุกข์มีสติทำงานที่แบบเรื่องวาระทูอะไรแปลก a ล่าวมาสั่งแต่รูสงแต่เก็จะสั่ง a ตรู้สั่งแต่เก็ต้องประกอบ s ุกสั่งแเก่งเนี้ยเพราะฉะนั้นสติที่ไม่เจริญสติตัณฑ์ประกอบให้สมบูรณ์เนีความรู้สึกตัวความรู้ตัวไม่หลง มีการที่เราจะฝึกสติเกิดได้ป่อยๆเราต้องสังเกตอะไรแจกปลอมในทางกายเราก็รู้ทันอะแจกปลอมทางใจเก็รู้ทันเป็นต้นอารมณ์อะไรไหวๆในใจเราก็รู้ละวางสิ่งเกิดขึ้นอาจจะไม่เรียกชื่อก็ได้อะไรบางอย่างที่เรารู้ทันเรือ้นก็ต้องรู้อยากๆเ่องความปวดแดงๆเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าหัดดูบ่อยๆว่าตามความสัมผัสใจนิดๆน่อยๆเกิดก็เห็น สติจะพัฒนาเรื่อยๆไวเรื่อยๆรู้สิ่งที่ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆในอภิธรรมแต่อนบอกว่าเหตุใต้ให้เกิดสติเป็การจดรับสภาวะทําได้แน่นยับไปเห็นไม่ไปรู้เกิดเร็วอันไหนนี่ไปเห็นไม่ไปรู้เกยดช้าเพราะฉะนั้นเราไปดูเหตุอะไรเกิดขึ้นในการแตกเราประมุขทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติไราจะเร็วขึ้นอยื่อยๆ ส่วนใหญ่ที่เขาไปฝึกอะไรนี่ก็จะฝึกสติให้เร็วขึ้นเขาไปหลวนกระบวนการให้ช้าลงเช่นเดิให้ช้าลงทําใจให้สึมซึมแม้เจะได้เครื่องหมายใช้าแนวเอาเลยสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่เป็นทำกระบวนการให้ช้าลงมีเรื่องของสติมีสัมผัสหาความรู้สึกสส่วนพวกเราต้องมีสติไหลลงไปที่ลงไปที่ลงไปได้ไม่หลงไปเพราะว่าไม่สุดตัวน ทำอย่างไรจเกิดความรู้สึกตัวไ ม, ว ม, ม, ม, ม, ม่มีสองอทางทางหนึ่งแค่้สมาธินำปัญญาอันหนึ่งแค่ปัญญานำสมาธิมีสองวิธีอันหนึ่งสมาธินำก็เรสมรตายันที่ทำความสวบขึ้นมาก่อนใ้ใจเข้าใจออกอะไรก็ไดอารมณ์อะไรก็ได้มมไไดแล้วค่อยเ่งเป่ไปว่าอรมต้ฝุ่สูบคุณจันดดรปรรวปรู้มีมุตติปติปทาเกิด ทำให้จิตหมุที่ภาวะระสมจิตทำเอ็ที่ธรมชาติที่ก็รู้จิตที่เป็นสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอารมณ์อะไรปรากฏจิตตั้งมั่นรู้รู้กับตั้งมั่นถ้ารู้ีกด้วกกับตั้งมั่นจะเกตดเศษไส้ได้ปัญญาสำเป็จกัญญาเสียทึ้งหมดยังอยากให้มีสำเร็จกัญญาต้องมีสัมมาสมาธินี่คือคำกระซาะกัน นื่นสมาธิไม่ใช่หนึ่งศาสตร์สมาธินะมาีิเพิ่มเริ่มเรามีศาสตร์สมาธิสมาธิที่แตกต่างกันทำอารมณ์กรรมฐานนันเดียวก็ได้รู้ไปลรู้คองคลองเขายึรู้อะไรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกเห็นสิ่งเรล่านี้ฝูกรู้ไปเรื่อยๆจิตที่เป็นผู้รู้อยู่น่ะจิตไปเรื่อยจิตเกิดขึ้นมาจิตจิตก็ผูกรู้จิตจิตดำไปสุกเกิดสุกรู้ทสุกดำไป ความมังมั่นต่ละบุกรุกเข้าใจไหมด้วยเหนั้นออก์มิรู้เลยแต่จิตั้งม <c ười> ั่นที <cas> yeah, shit, <im> <czas> APPLAUSE, okay ่ตากระทบรู้ก็สุกรู้ก็สุกรู้ความคิดังคุณแ่กรู้คที่เรีนเรื่สมัตินักยนี้อีอันนึ่งใช้ปัสสนวะแบบนี้รู้แล้ใช้สติเป็นเนรื่งมีอ่ใช้จิตสมัติเปีนเครื่องมือสติเป็นเครื่องมือคือเราอยะ ได้จิตที่ตั้งมั่นให้เราสังเกตองคจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทังจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะกลับมาตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นติตจิตที่ไหลทางตาโมจิโหมุนใหญ่ใหญ่ไหลทางตารู้จักไหมหลงไปทางตาโมจิแต่เห็นคนอื่นหลงลืมตัวเองไหลไปทางหูมจิแต่ฟังลืมตัวเองไหลไปในใจคิดทางความคิดคิดไปเรื่อยแล้วก็ลืมตัวเอง อย่าสขนาดนี้คุณบอกดูออกไหมถ้าโยนตวอยู่ในโลกของความคิดไม่ใช่โลกของความรู้สึกตัวจันทรเกิดอยู่ที่รู้ไหมแนี้จันทร์แต่รู้สึกว่าเราคิดเป็นไรพอเรารู้ันนดีพอเรารนเชื่อใจความรู้สึกตัวเกิดใจตั้ง่นก็สามรู้สกตัวลดทัศนะสัจธรรมที่เป็น พฤตี่ทรมเป็นส่อสู้ตัสามารถสนับที่เป็นเหตุสร้างของปันญมีสัมาธิใจตั้งมั่นรู้ทันไม่ไหลไม่ไหลสร้างไม้ด้วยหลักนดติดที่ตั้งมั่นจนสุดตัวตอนนี้ไม่ได้สุดตัวแ้วไหลไป่บอกไหมมันเกิดหรือเปลแต่หน้าที่เราไม่ใช่ข้าไห้ไหลถ้าไม่ได้ก็เขาเป็นสัมมาตาเก่งนะ ดีหน่อยหน่อยอย่าลหลมาซัดเลยยิ่งไหวยิ่ดีนึกออกไหมยิงว่ายิ่งดีเสืักค้ดรักค้ดรักโค้ไปเเสร็จแล้วการปฏิบัติเลยสภาวะหยักตันขณะติดนิสิตสติขณะติดนิสขาดสติแล้วขณติดสิขาดสติติดหนีได้ทำงานนีอีกทีตั้งบิล้านแ มีไปทำสมาธิแล้สิ่งบอกว่าธรรมเป็นปัจจัยของลังขารสังขาก็มีตั้งแต่สัารสดีสังขารใส่ต้วนสังารใส่สมาบัติฉะนั้นถ้าคิดดีก็เกิดจกรรมชาตมาจากความหลง่อนเอาสักผู้เ่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผ้ส่วนได้ธรรมชาตเป็นผู้ส่วนนั้น เราตักสติคิดเล่นดีๆเลยนั้นหน้าที่เาไปเป้ากับพัฒนาขึ้นโดยสติแบบลัทธิญาติเรสติพัฒนาโดยการหมั่นสังเกตในเกิดขึ้ทางกายทางใจของเราไปสังเกตไปเรื่อยสำปรัญญาความรู้ตัวเรียกับการรู้ทนาทังคใจไหลแค่ทางตาต้รู้สีทางใจต้รู้ทานรู้ไปเร่ย เ็ไม่ไหลไปด้ความรู้สึกจวนไปเลยปุันทร์ี่หลเราเนี่ยทว่ า, าไไทไมเรารู้ว่าไหลไปแล้วเราหยได้บเ้เ่มันต้องรับผิดทาไมต้องริอันนี้แหละเรียกว่าปฏิกสมาธิคือความตั้งมั่นดีละสมาติมาธินนี้แหละคือสมาธิที่ใช้ความติปะส ไม่ใช่สมาธิอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องเรสมาีิตั้งคบตั้งั่งก้ามีหลายแบบเนื้อบาคนกไเบคนหลงหรือบาคนตัวตรงเล้วหลับหนักมีรู้สึกตัวว่ามีลักษณะการจิตที่รู้สึกตัวมีลักษณะคันญาก็เกิดแล้วทำไมันหลงแล้วลืมเ้ สงสัยเหมกลับมายากนะนย่าอยู่นะนี่ใจเป็นาจเปลยแล้วนะถ้าเกิดเราคิดว่าจะใช้กันกลับเราก็ไม่มีความสุขใรอบสมันี้นิ่งเนี่ยเขาไปพักผ่อนทาแล้วติดแก๊งไม่โกงหยินเออได้กำลังใจถ้าทาได้ก็ดี ทำไมได้นม่จำเป็นทำไมบางคนต้องทาสมาธิตลอดบางคนไม่จำเสมาริได้มที่มีเรืกองเฉลี่ยเฉลี่ยคนนี้เฉลี่ีก่เฉลี่ยไมีกี่เี่ยมมีอะไรไม่เป็นแบบนั้นอรที่กอย่างม่สามารแบ่ง <laughs> มีราคะเฉลี่โยโทสะเฉลีโมหะเฉลี่ยใช่ไหมพุทธิเฉลี่ยพุทธิเฉลี่ยบัคคาเฉลี่วิตกเจริ่ยสุลสั้นเฉรี่ยุกอันนี้เอาไปได้ยินใช่ไหมเฉลี่ยหกอันี้เอาไว้ทาสมถะไม่ใช่เอาไว้ทำนิพพานเป็นการเลือกว่าใส่หมอกที่ทําสมถะแบบับเลย นี้เราชอบคิดพราต้องใช้เวลาท่าจริเชันจะต้องเจริญนิพพานแบบไหนดีคนละเรื่องจาริกโกงานนี้เอาไว้ทาสัรพาส่วนจริกที่ใช้ทำนิพพานมีแค่สองจริกเขาเรียกว่าตัญหาจริษกับพิชิตจริตตัญหาจริษนี่คือหย่งมีนิสัยใจคอรักสวยรักเงินรักสุขรักสบาย พวกนี้หมากกับกายานุปัสนาปฏิปัสสานะเวทนานุปัสนาปฏิปัสสานอีกพวกหนึ่งเรียกว่าคิดผิดจริตพวกนักคิดทั้งหลายพวกคิดมากมีความสมกการใน่ารคิดพวกนี้เรียกว่าคิดผิจริตคิดผิดจริตที่พวกปัญญาชนทั้งหลายโดบทั้งหมดจะเป็นคิดผิเจริตพวกนี้เหมาะกับจิตตามนุปสนาแล้วก็ทำนานุปัสนาปฏิปัสสานะเป็นอิทการทุกแว น่าเบืแต่อย่างพวกสันหาเฉิบเนี้พวกรักสบายยูมกายแหละจัดจางพิมเมยได้ดีเพงั้นก่อนถึที่เราจะมัวตัวไปปฏิบัติแต่เมื่อเราเป็นเรื่องใส่งูุบัญจารย์อะไรนั่นเราก็ต้องแบบนั้นต้องสอนกายลรวก็เอากานแต่เมื่อนมาสอนจิตสอนธรรแบบนี้เราก็ต้องทำใจคือเราไม่จัดจางพิมพ์ตัวเราเองตุบาลจารเสร็จแลก็ สอนตามที่ท่านเคยทมาไม่ได้สอนดุจที่จนนนจรณาติควรจะดิบของวุตินี่ยังมีเนื่อไข่ถ้าพวกที่เดินทางใยเวทนาจะต้องทําการก่อนเพราะว่ากายกระเวศนาเป็นเรื่องของสมาหาย่างนี้ิพวกเดินกิด ก, กัม ร, รมน่นไมต้องไปทำตามก่อนดูไปเลยพวกมีศา ส, สนายอย่างนี้ถูกเกิดจับไปเลย เพราะะนั đấy, ủ, ้นจดีนี้ใส่คนนี้มันกาหนดว่าควรใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรในการดำเนินกิจการแล้วถ้าจะใช้อารมณ์กรรมฐานชนิดไหนก็ควรจะดาเนินให้ถูกต้องจำเป็นไหมทำไมครูบาอาจารย์รับฝ่ามือก่อนที่จะร่างกายรับผ่านคนเดียวนี้เราอยากจะที่จะดํางกายยุบปุ้มให้ได้หรือแม้กระทั่งเพิ่มไปเลย อาตากวักวกดกับยืนนั่งตายทำสมาธิก่อนท่าจะพุทโธควรกบหนดลมหายใจพุโทโธและหายใจแตจใิตเจ้าทางือสมาธิออกจากทานสิตนิ่งสงบตั้งมั่นมีเอโกท่ภาวะมีทํามดิจิตตั้งแน่วเย็นมีแน่วมงมากเนยคอูบาอาจะรเริ่มต้นนิ่งเกินสปที่เกียจออกคิดคจรณาเรื่องผมคนเล็บฟ น, นั้นให้คิดให้หันคิด ที่ให้หัดคิดเรื่องๆไม่ให้ขี้เขียนให้จิตใจมีกำลังออกมาพลางพิจารณาพอเริ่มนั่งสมาธิเริ่มพิจารณาใออกมาอยู่ในชีวิตจริงตากระทบรูปมีสติสัมปชัญญะหูกระทบเสียงมีสติกัมปชัญญะเจริญสติในชีวิตปะจาวันหลวู่มั่นดุจกลาวบอกว่าทำสมาติมากเริ่มช้นมากมาเริ่มช้ คิดที่จะนานมากประคุสร้างของคนเล่หลังมากค้แบสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการมีสติชีวิตประจวันยืนเดินนั่งนอนต้องมีสติมีสติคือมีการปฏิบัติธรริบัติการปฏิัตม่หัวใจจ่ิงสติสติเราเป็นยของเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำทานเราโยกเท้ายาเท้าใช่ไหเสร็จแล้วไปทำอะไรขึ้นั่นไปเชี่ ใจของเรานี่นได้มีพลังไ ม, มีความตั้งมั่นพอเอาไปดูที่เท้ายกเช้าดูมือดูท้องที่จิตไหลไปไหลก็เป็นก า, าะเมื่อจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปสัมผัสชัญนีไม่มีเพราะว่าไม่มี ส, มสมัมมาสมาธิเป็นเครื่องรองรับเงินท่าทาตามไม่ได้ไม่ต้องตกใจอะไรเกิดขึ้นในใจก็ดูไปเลยสุมีกําลังสุขก็รู้กําไม่สุดก็รู้ มันตรงก็รู้ดตัวก็รู้แต่มใจลอยทราบไหมป็นนีไปคิดนะัง่กินตอนที่หนีไปคิดเรื่องคามคิเราทักเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราหลุตัวเราเองกายมวนาจิตสักเราหายไม่หมดเลยไมหายเห่ือกันเลยูออกไ้คุณกำลหนีมแล้วทุอ่า่่เด็นักเรียนอย่างนี้ที่เขาอนาำลังหลังสายคลองเนี่ยนะคะโดยท่าคือไมด้า ก็ถ้าจะพูดใจเราบอกทำไม่ถูกที่อาญชักชาบอกนะถ้าเปดนพิเศษคำอย่างนี้ก็ตามไม่ถูกใจเราเองไม่ได้แต่ก็มีบางคนก็คือเคยอบลมสมาธิมาดีเลยเขาไปดูฟังยุทธวิชิตก็ผ่านได้ก็มีเคยเห็นเมาที่นี่มีคนเคยเขาทไม่ถูกสมาที่ดีของที คือรนนู้กายเนีนน่ยกายยางปัจจานามลมแบบสมาธิอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าไปถึงขนาดเราคับตราว่าเขาไม่ทำใจเราไม่ได้ผนแต่สืนมากเลยก็คือก็ทำไปทำไประดับความวรู้สึกลงผู้หมดความวรู้สึกลงไปไมันคือสมสามมธิเป็นสุขเปนเป็นัดีไได้ศาสัต่าตรงรูปปัจจะบี คือเก็บกลอสิกาพลังนานว่าเมื่อเข้าสมาบัตตัวแข็งแก้งชักสาอาดเิสระหมดความรู้สึกคิดไม่คิดสรานอารมณนิพพานอารมณสุกตัมุขานลบนี่อย่าเอาไปเปแพนะต้อนเเออต้องไปแจกกันเนี่ย งี้นเอาคำถามเรื hmm. ura, atan, ่องตำแหน่งหถามอีกตำน่งอนึ่งเดียวดีในที่ดีเราเรียนทางวิชาการมาแล้วอย่างคุณกันถามว่าทำเงินได้เหรอไม่ถูกเหรอก็บอกว่าถูกตามที่อธิารตอบไปแล้วคบที่ตำแงบอกไม่้อรท่มัน เาไม่ใไม่เกี่ยวไเกี่ยวอย่างที่แยกจิบเรียงนาศิษยจะิบให้สองศิษย์กายกับเวทนาศิบิบจะตามิตนี่กายกับเวทนาทํามีสองอบอกว่าคนไหนปัญิ์ดีแอดก้าปัญญากราความรู้ตัวได้ดีแล้วเนี่ยเล่นเวทนาของถ้าปัญิาศีอ่อนต้องเล่นกายา ถ้าปัญญีสีอ่อนเล่นปิดสารปัศนาสำหรับพวกพิธีเริียถ้าพิธีจริีที่ปัญญีสีแก่รก้าเล่นทํมานุปัสษาพวกปัญญากล้าจะจำแนกได้ไท่านอธิบายบบว่าสติปัฏฐานสี่แค้จริงมีหนึ่งคือการมีสติสัมปัญญาจดหมายปทางของการทำสติปัฏานคือความมีสติสัมปัญญ า, า, ญญาแล้วตัวนี้ทั่ญาเราไปมักเป็นส า, ามารถอารมสมมตา มีสรรี่อรมณ์ฉันเปลี่ยกบทเมือนประตูเมืองสี่ทิศประตูเมืองสี่ทิศที่เราเข้าประตูเดียวใช่ไหมเราไม่ได้เข้าสี่ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริตขงเราของกายที่เราเข้าประตูนั้นประตูเดียวก็เข้าเมืองได้เรียบร้อยแล้วแ ล, แล้วเราไปดูในประตูรณะจะเห็นเลยว่าอย่างพระคูนสัญญัติถ้าปัญจวัคคีย์ฉันตาธรรมจากรใช่ไหมเราภาวนาสาระขันสูต ธรรมาจากรก็จะสอนเรื่องเี้ไม่เป็นไรอนัตตลักษณสุดจะสอนเรื่องขันขันาเป็นรรมาตรันท่าอยู่ในธรรมาตัรศสนาท่านัจวัตรีเกเปลี่ย น, ามมานรยรเรื่องมาตศสนาไรยะศาสท่านสอนอนุปปิการะอินาริยสตร์ยิะสที่อยู่ในธรรมานตตสนาท่าที่นอุปปิจีเยสเมอะเลย ในจักรู้วิเวทนาลุปัสนาเราเวทนาต้อวัรุปัสจนาถ้านมาจับจับปากท้าหนอ น, ด น, นได้ก็กายายลปัสนาถ้าเนื้รุษักได้ก็ิตตาลุปัจจนาแต่ละองค์มันมีประตูของเวงการทำาล้องมีปัญหามันเลยเกิดข้โงงอย่างเช่นก็บางคนอาจจะรู้รูปนั่น คุณร <muitas> ja ่มน uh, uh ันตอนนั่งเรียบร้อยก็ยงไม่รูเวลอกให้มันเมื่อยน่อพเมื่อแล้วรู้่เมื่อยแทนที่จะรู้เมื่อยนะเมื่อยเป็นมีสนานุปัสสนาใช้รูปไม่ใช่กายาเมื่อยเมื่อยเอาว้ก่อนเดี๋ยวจะดูว่าอยากเลี่ยนอยากหดอยากเปลี่ยนนี่เป็นธรรมานุปัสสนามีรอยมีช่องหว่แต่ละุณแเอาไว้ก่อนรู้ไว้กลับแล้วเอาไวก่อนเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อน และสติปัญหาถ้าสงเกตให้ดีสติปัญหาทั้งหมดเกี่ยงอารมณ์เดียวนี่มันจะครอบคุมเวลาทั้งหมดเช่นอพนาพนาสติหายใจเข้ากับหายใจออกทั้งหมดละไม่มีหายใจขึ้นแต่หายใจลงไม่มีไม่มีแต่หายใจเข้าหายใจออกก็กลุ่มพื้นที่กลุมเวลามหมดละยืนเดินนั่ง น, นอนทุกสุมอินทิยาบดทั้หมดะ่ะอินิยาบดที่เรียบร้อยละอินทิญาบดย่อยๆกระโดด ก็ยังมีแต่ว่าคงไม่มีใครกระโดดทำปฏิปักั์นะลอสังเกตในอารมณ์แต่ละกันคนเดียวจะดูเวลาอาเวล์สฏิทั้งหมดยังดูเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็ไมีอยู่แค่รับทังหมดนะไม่มีรอยโหวนดูกุศลอูุศลในใจของเราก็เกิดก็ไม่มีขั้วโม่นดูสัญหามีความอยากเกิดขึ้นความปัญสาดับไป ก็ไม่มีอะไรเดือดย่างเพียงทันใดมันเดืนพอมมีในเบื้องต้นสัตว์ทำไปเกว่อความมุ่งมั่นต่อสัญญาแต่ว่าเมื่อจิตเราสมนิชนานาสติสต์ต่อชัญญาตนีไม่ได้เลือกนะตากระทบรูปมันตัดกระลุัตไดเตลิดหูกระตบเสียงตัดกระลุกตัดเต็ิดให้ใช้เราฝึกจิสมนิชนานาสติสต์ต่อสหาสติสติปัญญามุนสีแดงดำหนึ่งของมันเอง ถ้าเราไปได้ยินบางท่านบอกว่าท่านไม่ได้กาหนดสติปัฏฐานสี่เลยอย่างรู้การอย่างนี้เป็นเรื่อสติของขุณร้อมตัวได้จํานเร่องตำนานมากนี่ทำไมท่านถึงสอนบอกว่าทำให้เชื่องว่างมีควมเป็นธราเพราะว่าไม่ว่าจะทําสติปัฏฐานหมดไมลงท้ายรงที่อยู่กับตัวเมื่ อ, อไรมีสติไปกำหนดรู้ลงแต่งเมื่อนั้นทุกเกิด เมืではでは่มีสติไปกำหนดรู้น oh, ิวรณ์ทุกข์เกิดทั้งหมดทุกข์ั้งหมดทุกบัปในที่สุดจะมาเรียนลที่ตัวสติโอเกิดอยากพิจารณงสติกำลนดรู้สติเก็อนตทุกข์เกิดพอเห็นตรงนี้ก็แบบนี้มันจะเหลือแต่ขาวที่ไที่ัอตัดแงไม่กำลังรู้ นี่พอตัดไนรู้ตัดไปเห็นไม่ได้ตั้งใจกาหนดรู้ ม, มันก็ไม่เกิดผู่กาหนดขึ้นเลนไม่เกิดตัวตนผู้กํานดขึ้นเคยเมืนที่พระพุทธเจ้าบอกนะพาทยาดูตอนพาทยาในการในแรงเมื่อท่านเห็นจกเป็นสัตว์ว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสัตว์ว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสัตว์ว่าทราบเมื่อรู้แจจะเป็นสักว่ า, า, ารู้แจงในการนั้นท่านย่อมมมีท่านยมไม่มีในปัจุ บ, บันไม่มีในโลกหน้าไม่มี ในระหว่าโงโลกโลกสองนี้แรเป็นที่สุดแห่งทุกข์เราอยากทําลายตัวตนขึ้นไหมเราไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติตั้งสติกําหนดของเราไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาสดๆร้อนๆหรอกพอเราไปสร้างตัวตนเราอยากปฏิบัติก็มีการปฏิบัติมีการปฏิบัติต้เกิดทุกปฏิบัติมีตัวเราทุกปฏิบัติขึ้นมาดูยังไงตัวเราก็ไม่ขาดเพราะว่าเราไปสร้างขึ้มนมา แต่ว่าถ้าเรารู้ทันสติอยากปฏิบัติสติกำนด้วยก็ทุกเกิดขึ้นเลยตัวตนเกิดขึ้นเลยเห็นตรงนี้จิตสัตว์แต่รู้สัตว์เต็นทุกแค่สัต์แต่รู้สัตว์เต็มทั้งหมไม่ปลูกแต่ตาเห็นทุกไม่ปลุงแต่หูได้ยินเสียงแจคิดทุกไม่ปลุกแต่จอดแต่เรื่รูจสตแต่เรื่องหมว่าเป็นตัวตนสัตว์เตราจะเห็นนิขัยท้าที่ทตัวตน นั่คือการเปลี่ยนแปลความเป็นจริงควางจริงจิงแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าเจะมีตัวตนแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรักตัวตนได้นัคือความหลงผิดแท้จริงมันไม่มีตัวตนที่จะต้องรักมาตั้งแต่แรกถ้าเราไม่ไปตั้ ง, งเพราะฉะนั้นการเลน ส, ปป ส, ล ส, สติไปที่จิตที่ปราศจากรู้จากเหตุ ไม่ใช่ใครู้ไปเด็ก็อยากจะรู้อยากไปเ็กอยากจะไปกินแบบนั่งคุยการเกินคำทที่ที่จริงแล้วทําม่ได้เพรานอะไรนะพักเอต่กนได้หมดแล้วทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำทำไมไม่ตัดไปรู้ไปเด็กู้ไปเอง เราเคิดแต่ว่าทำให้ฆ่าทางมางเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปฏิบัติแ ท, ท้ตายไม่มีตัวตนที่จะต้องรักอธิบัติแ ท, ท้ตายไม่ได้อะไรมาเลยทุกอย่างเหลยแต่ครังนี้ผ่านเพราะว่าใครก็ไม่ใช่คนที่จะเป็นเพีย ง, งแค่คนตายจิตเราเป็นยังไงนะ <laughs> จิตก็มันมีแนวโน้มไสู่ปิติๆๆิงันเต้ารู้เต้าดูไปเลยอย่าไปนั่งนั่งเตินนะอในี้ใส่นั่งเติมจะิ้งไปรู้สึกตัวไว้ีลนะาานะัดีณะถนัดนูกกาเป็นงเติกเพงคนจะต้องเดินการเดินคือความรู้สึกตั ว, วที่ว่าเดินกับต เดินกลับไปกลับมาแบบไม่รู้สึกตัวไม่ได้ว่าเดินตรงกมหรอกเพราะฉะนั้นเามี้ที่เดินก็รู้สึกตัวยู่เดินนั่งมามรู้สึกตัวไปด้วอยอันนี้ก็เหลือที่ติดคามเื่องว่าการปฏิบัติตางรูปแบบยงจำเป็นไหมไม่ใช้ว่าเดินสรงกรมจำเป็นไหมตรงกรมจำเป็นเขนต้องเดินรูปแบบ ที่จะมาสอนเรื่องสอนหลัหลกของการกระเราะส ป, ปิทสำเร็จแล้วรูปแบบใ น, นส่วนนี้ต้องไปใส่เกลือที่เราถนัดเพราะว่ากระดินงแต่ละคนต่างกันแต่ว่าห้ามเดินจงกลุ่มนี้ไม่ห้าควรจะเดินด้วยันแต่หรือถ้ากว่าั้านได้ยินดี่าเดินจงกลุ่มหรือลดต้นไม้ก็ดีกรมกาเคลืไหวดีกว่ารวรร ก, กรมารหยุด่ มนต่ัไ้งกว่นั่งน่เาเระอเผอยาทีนี้ี่บอที่แทำนสมัยีมต้องเดนจงกรลยสมัยพุทธกาลแรกเริ่มท่รได้เนงกรมไม่มีเดจรมเองเดินกมเ่องแตตงนเน้นอนตติง มันอยู่ในอัตมนม่อัตตาที่นี่แต่เดิรงข้างไม่ได้เยส่สงต่อกลับมาร้างอยู่ในวัดินมาริฏิบาติเนือความีสแบบวัดขึ้นเขาช่วยเดินทั้งวันเนี่ยเดินไม่ความรู้สึกตัวนี่เพวัดข้ามในรูปเป็นเหมือนมากมากเเป็นโรค้อเผีหมอทีบอกเป็นแนะนำเขาจะไปเจ้าว่าให้ไปสบายให้เดิน ก็เลยสร้างทางเดินตรงกลมเพื่อเดินึ้นสายเดินมาทางนี้นี้พอรักเดินเฉยๆก็เสียเวลาเขาเดินทำต้องรู้สึกตัวไปเลยเพราะงั้นหัวใจขอการเดินตรงกลมเนี่ยแต่เดิมเรียนเพ่ออกกําลังกายนี้่กาเห็นว่าออกกําลังกายเปล่าๆเสียเวลาเราการเจรินต้องใส่เข้าไปเลยต้เดินต้องก้าวต้รู้สึกตัวไปเลยทำอะไรก็ต้องรู้สึกตัว นี่พวกเราเห็นตาเดินกลับไรกลับมาเนียอย่างนี้ถ้าจะเรียกว่าการปฏิบัติเราก็เอาว่าเราเดินแล้แต่เราคูดเรื่องความรู้สึกตัวเลยเราเดินกับความสงบอ เ, เลยไม่ใช่การเดินตัวในความหมายที่แท้จริงแต่ถามว่า ถ, ถ้าเดินแล้รู้สึกตัวอย่างนี้ดีไหมี่เนะี่ยไม่ใช่ดีนะเพราะงันคือการวิจารณ์ เดินแลรู้สึกเตือนเยแต่ถ้าเดินแาใจลอยตึง้านหรือแลวจิตไหลไปอยู่ที่ขาจะไปเดินไปถงไม่ไ้าทีเราไม่รู้ว่าที่เดินเราปเอะไร้างรกอตัวเร้าหรืม้แตราตัวเองนั้นเราเองกจะขึ้นเดินเย้งเรามีจรงอะระมันต้องเกิดต้องเราสี่เราล่ยันที่ะง ถ้าเรดกนกับผู้นำทีมเน็นแม้ตอนที่ตื่นยืนควางรู้สึกกลัวัปแล้เนี่ยแล้วตอนตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็เลยยังไม่ต้องรู้สึกกลัวเดี๋ยวไม่ยืนแรกขี้ก่อนแล้วค่อยนึกออกั้มเนี่ยแม้เราทีมการเดินจงกลมในชีวิตจริงๆองเราครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ่งยเียนะเอยืนได้เข้าทีแล้วค่อยเดินเข้ามือสตาร์กกั คืออยากไปเจเพื่อนน้องแกให้นิ่งกัแล้วกันนะเรียนรู้สึกตัวัะรู้สึกตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ใชรู้สึกตันไปเข้าเหมอนเกลียวกลมนะม่นใจนี้ฝึกตัวเม้นเดินให้ยาวเดินยาวๆใจนิ่งลูเม้นตัวไม่ทันนะอะไรเกิดขึ้เกิดตดใจ มันจึงจะเรียกว่าการปฏิบัติที่มันได้ประโยชน์เลิศเหนือแล้วไหมที่กลับตัวกลับช้าๆในการเร็วเพิ่มมันจะเด่นขึ้นเลยหยุดนิดหนึ่งก่อนนะการเดินไปสุดทางหยุดนิดหนึ่งทำความรู้สึกตัวหมุตัวกลับรู้สึกตัวก็เด่นแต่ไม่ใค่รู้สึกตัวจนแข็งๆนะนี่เวนแล้วจะไม่คิดนะ ดูออกใช่ไหมดูออกใช่ที่จิตมนเปลียน้เกิดแล้วกลับม า, า, า <c oughs> ด้สถาบนเอาไหมตัวหรือเปล่านี <c oughs> ่รู้สึกตัวไปตนะั้งแต่ตอนนี้เลยถ้างั้นต่อไปนี่ไปเดินทัพกิ้งก็คือเดินจุกลงจับไหม เมเริ่มทำใจให้นิ่งแล้วรู้ไหมเริ่มทาไปเรียบร้อยอ่ะู <c oughs> เดินรู้สึกตัวไปเร่อยเรื่อยแล้เริ่มไปคิดแล้วรเปล่าเสียอยนเดีวนว ร, รู้สึกตัวกับทางเดินอย่าทาใจให้นิ่งนะทาใจเป็นธรรมดาเดิ น, นแล้วก็สบายสบายถ้าอึดอัดแล้วก็ผิดละ รู้สึกคกอยนะถ้าอากาศแบบนี้มันห่าร่ามีคนดูเลย เ, เ ล, ล่งแค่เดินอย่างไรเนี่ยเดินอย่างที่เดินเนี่ยเดินแล้วรู้ถักตัวเองนั่นแหละถึงจะมีประโยชน์แตว่าดีไหม ด, ไดี เ, เดินไปเถิดดีกว่า น, นั่นนั่งรับฟื้ คือเขารู้กว่าทำไเรา้เพเราเป็นทยเสือมันติดอัดนะก็ยมไปเป็น่าันมีารนำมันถูกไหมครับเพาว่าเป็นอีกตั้งนาเราสติไปกาหนดที่เท้าหกจังหวะเจ็ดจังหวะก็ต้องทุกแน่นอนมันถูกแล้วหละที่มันอัดแต่ว่าไม่ใช่การปฏิบัติให้อีกมันถูกนะเป็นเรื่องที่มันติดอัเพราะว่ามันมีเหตุ มันวเราเร่มเแล้วก็ร้ใเลยแล้วพอาให้เจอชิ้นนั้ก็จะเจอสกมื่ลก็เอื่อเีช่วงนี้มีทุกติดผู้ใหญ่ของคุณแม่รคนกบคุณอมราตาคัตปองดูฟพล่มวันที่นี่ครั้งที่สามคุณมาคอนเรคุณคอนตรีทที่ ท่านอะไรที่ไม่หักโหมนะนักยักตอนนั้นดได้ผลิอย่างสองรอบนะึงขนากกนขอบเทปใ้ใสไปตำนักมาเห็นเต้องริงอนนี้ก็เริ่องเฉลยสตินะโดยอที่ทำมาคือสรัมฐานน้อมใจให้นิ่งกหนดไปเรื่อหนดไปแล้วเกลินในการกำหนด วกันเอตอกัน้นนเขารู้สึกตัวการบรรลุมกสก็ประกอบวิสติตตการะคัญญามากส่วนไม่ใช่หมดสติตการะคัญญามากกวชื่อขอ ง, ล ง, ล ง, ง, งกัญญาหลมันมรืองเปการเือค <laughs> ืออย่างนี้เขื่ย่ตกใจ เสรมให้บอดเสริ a แล้วรู้เสริมแ้เกี่การปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติของเราจะเหนือแค่สองใหญ่ให้นี้มีสุดเสีล่าขนาที่เอสมมตรว่าเ่อยาวแค่นี้นี่คือกุศลกิจขนาดที่รู้สึกตัวหนึ่งขนาดนันี่คือกุศลกิจมันคือสนดเกิดสนนี่ต้าอยู่ไม่ได้คือี่ทำงานยาวช่วงแต่าเรรู้ความกุศลเกิด มีอกุศลมีกุศลอกุศลละกุศลเขาบกมีกรรมทับไม่ได้เขาได้แสดงธรรมะให้เราฟังสดสดร้อนร้อนเลยเขาแสดงอย่างตูกไปโรงมาีปคิดเราว่าธรรมะคืออะไรที่คิคที่ยากยากเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กำเนิดกาเกิดนีแสดงธรรมะแสดงกรรมทับไม่ได้แม้กรรับได้ที่ไหนอย่างนี้เถอะไม่ได้วันนึงเข้าใจความเป็นจริง แต่เดมือนจะมาหปฏิบัติใหม่ๆมันะมีความสกากับิดคิดว่าการปฏิบัตินเ น, นี่คล้ายๆกัางอีกจรวดิีจรวดยิงสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วหลุดออกนอกโลกไปจิตก็เหมือนกันนะทํำให้ดีขึ้นเรื่อยๆระวังนะหลุดไปสูงโล่งสุดตลาดเนี่ยคือความหลงผิดร้ายแรงมันคือทัศนาที่เห็นว่าผิตเนี่ยเป็นอันกษรเรงขับได้ ต่อมาเมืม่อฝึกมากเข้ามาเข้าเราเ د, จะเห็นเลยเจริญรัศเสือเจริญรั้เรืเอมีส ต, ติแล้วก็ขาดสติขาดสติแล้วก็มีสติตมันขับไม่ได้ครูบาอาารยท่านสอนใช้คําว่าครูบาอาารยท่านสอนสอนใครท่านสอนบอกว่าพอเห็นว่ามันจเจริญแล้วเสือ่อเจริญแล้วเสือ่อมันขับไม่ได้จิตเราก็ปล่อยวางความมึนพ้นเกิดจากความปล่อยวางความมึนพลุ่นมัเกิดจากการทําจิตที่เทีย่ยง บรรับไม่ได้ให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วหลุดคนถ้าทำเรื่ดีขึ้นตลอดเลยแล้วหลุดพ้นนี่ติดกิเลสหนักตาบรรพับได้ไม่ใช่ความจริงหลวงเลื่อรู้ไหม <c oughs> ไม่ต้องตกใจทำไมอยู่ได้ขนาดเดียวต้องมุขการิกาสมาธีนี่ หน้าที่ของเราคือทาสติให้เกิดบ่อยๆให้เห็นภาพบุตรีกันตาให้มีเยอะๆไม่ใช่ให้มีอันเดียวยาวๆยาวไม่ได้ตีได้ขนัดเลยจะทําทีลักษณะให้เกิดบ่อยๆมันก็ใกล้ๆความรู้สึกตัวทีเราดิา้สต่จุดจริงรู้สึกทีจุดจกิง น, นานๆจุดทีเป็เรื่อจุดทางานถ้าจุดบ่อยๆใ จ, ๆจมีเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่ทั้งวัน เพรแท้สิิงแลคือรู้สึกทีฬษณะาดกษณานั้นมันบ่อยอย่างนี้เปล่า อ, อีกแล้วแล้จิตกันแล้วหรือไหมคุณจันอย่างนี้รู้เรื่อ ง, งเยอะมารอบกอดมือขาวมือหมงอกเอนึว่ารู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแบบที่คุณจันทำมันเป็นไงหนีอย่คุณแบบตั้งทาเจ้าตั้งท่าเจ้านมันรู้หมดเลยควจริงเราไม่รู้หรอกเรตั้งท่าอยู่ อยากปฏิบัติถึงไรสมมุติได้แต่ว่ารูปแบบมันดูอย่งนี้เด่นดวงดรงแบบทาได้ก็เป็นทำมันได้กาลังใจเลยเยอะีเพีคืออะไรไมมกัว่าจริงจเนี่ยติดเราเราก็โอเค้มสเดิมเรื่องิดเราเราทัดต่อ จะเศร้าโหมเพรกิเลสที่จอเป็นกล่าวกล่าวที่ทกิเลสกอดมาเราก็ก อ, ไอดไปตามกิเลส น, นั่นแหละนี่ชวยเป็นไปนี่ชวนเป็นไปตามกุศลคือไปดั้งคิดธรรมะและหลงหลงแต่ไปคิดถึงธรรมะแมหลงเนี่ยเป็นโมหะเป็นอวิชชาไปปรุงแต่กกุศลปรุงแต่กความดีไวอได้แต่ก็ดีแบบหลงๆลนี่ไม่ใช่ดีข้ามโลก ดีแบบอยู่ในโรกเไม่หลงไปเถิดูปลอกนล้วเนี่ยแล้วจริง น, นี่คุณอาจารย์ทแค่เนี้ยอะฝึกไปอย่างนี้นะแล้ ว, ลวทีหลังเดินจงกลมนั้นก็เดินดูแค่เนี้รู้สึกตัวรู้เถื่อรู้สึกตัวรู้เเดินจงกลมก็ดูแค่นี้นั่องสมาธิก็นั่องดูมันแค่นี้ทําอะไรก็ต้องอยู่แค่เนี้หนยหพอล้เสร็จแล้ ว, ลวอนธนถ า, าท่านมากำหนดท้ายยังบว่า สติอันกำหนดรู้รูปนามเป็นอ า, ารมณ์เป็นทุกข์ปัญหาคือต้นเหตุ ค, ความอยากปฏิบัติทําให้เอาสติอันกำหนดนี้คือสมุทยัยความค้นจากทุกแล้สมุทัยเป็นนิโรภการที่เราสามารถรู้ทุกข์ละสมุทยัยเราต้องมีนิโรภเป็นอ า, ารมณ์เห็นนิโรภนนั่นคือการเจริญอริยมรรคแล้วท่านกำหนดท้ายลงไปว่านี่คือทางดําเนินไปสู่อรหันต์ ร, รักอรหันต์ ของพิสูกรูปหนึ่งทุกๆคนที่ยะม่รู้ท่าันเดินตรงจิดนี้ให้ึนารงนี้นี่เราจะจะรู้สึกว่าโอ้ดูตรงนี้ยากใจขอไปทำทุกโท่หาใจอะไรก่อนจะไปทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นานๆไปต้องมาสุดจุดนี้ถ้ามีสติปัญญาเข้ามาตรงนี้ได้ก็เข้าาในในออะไรยปอ้อมทำไมอันนี้จะต้องนั่นเขียงไม่ว่าจะสายไหนดี รู้กายดีด้วยเวทนาหรือจิตหรทอธรรมดีไม่เห็นต้องเคียงกันเขารับสติเอาสติเราไม่ได้จิตเอากายเวทนาจิตธรรมฝึกรักษาจิตนี้มีสติเวนจิตนี้นาาขาดสติทําไมต้องรเป็นอารมณ์เดียวมันคือแค่จิกนั้นเองแค่จิตจิตของเรานี่ยิ่งสร้สางเป็นอารมณ์ทั้งหลายที่เจ้าสวไม่รู้ท่านถึงไม่ตั้งอารมณ์ขึ้นมาจริงจิต ราลึกรู้ลงเห็นใจข้างออกสูงเป็นลมเห็นใจหรือเป็นนิวร์เป็นอะไรก็ได้ในสติปัฏฐานจิตสับแต่ระลึก ร, รู้อยู่ก็รู้ว่าจิตระล้รู้อีกจิตหลงจากอารมณ์นี้หนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทานจิตที่ไปคิดเรื่องอื่นจิตไปดูอารมณ์นี้แล้วก็เคลิหมดเรื่องหมดแรงเคลิ้ ม, มงไปรู้ทันอารมณ์เคลิ้กล<ม>ับมารึกรู้ว่ามันนี้นี่เขทําอารมณ์ เ, ม เ, เป็นเดียวขึ้นมาเพื่อไปเกี่ยรรอใช เพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็มืกเหยื่อตกปลาปลาตันี้จะปลางโ้หรือปลาสลัดถ้าปลาง้ก็กระกด๋อยแบบนี้ก็ไม่ได้กินเหยื่ออะไรติดไปเลยลาสลัด ก, ก็แค่ตัดแตู้แล้วก็คือตอดแตนิดเดียวมันรู้สึกอีปลาอีช่นน้นนึไม่เหยือ่อง้อหลังก็อีไปไหนเลย ส่วนตาส่วนใหญ่ต hmm. ีปาอะไรแนัตลาสิเก็เขาให้กำเนิดยกขายล่างขาวกำเนิดเกาะอย่งนี้แน่นเลยยาอไไหนเกาะลอึดอัดม้นากมันเ็มูนี้พอจะนึกออกนหมที่าว่าจิตเป็นอย่างี้ถ้าไปกัดอะไรอย่างนั้นก็เก็บจิอึดอัิมันไม่แค่สักแตู่้นี่อจอดเหยือเลยเพื่อติดตากินเหยื่อได้ยอะ แล้วก็ไม่ติดเป็ดด้วยไอ้ที่นั่งทํำกันแค่เป็ดแค่ตายเนี่ยติดาติดเป็นแหลส่วนพวกที่ไม่ทําคืออะไรคือปลาที่มองเหยื่อไม่เห็นพวหนีนั่นนั่นมีหนาเหยื่อที่อยู่รวมแล้วก็มีสามแบบพวกหนึ่งเผลอใไปพวกหนึ่งโง่ไปเล็กน้อยพวกหนึ่งสับแต่รู้สักแต่เด็กนะยเนี่ยพวกนีพวกคิด นต้นะนี่ตัด่กหนแลกนไอนี่ให้เรับับหน่อยเนี่ยทีมคุณครีบวุฒิาทำให้ค้ากระยาวดร์ระยาวักีเ คือก like ่อนอื่นเราจะรู้ว่าเราปิเกิดที่ไหนเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราปิเกิดสิ่งที่เราไปเกิดมันเรื่องจิตกรรมกรรมที่มีหลายตัวที่ทําให้เราไปเกิดได้กรรมที่แรงท้่สุดเนี่ว่าค้ารู้กรรมหรืออนันตริยกรรมถ้าหากเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วมันไม่ต้องเล่นเกมนี้ตกนรกแน่นอนไม่ต้องตายนะกดแล้วหรือถ้าเราจะรู้มรรคผลก็ไม่ต้องเล่นเกงนี้เรารู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหน นี่คนทั่วๆไปขนาดนี้ยังไม่มีใครข้าวอบข้าแม่ใช่ไหมยังไม่มีใครบรรลุเลย <laughs> เพราะงั้นเราขาดขั้นกรรมปิ๊งไปตัวนี้ไม่ต้องดูแลเพราะไม่มีการอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดหรือว่าอาสันนักดับกรรมที่ ท, ทํารรมใต้ตายอย่างบางคนนะทุกวันเชือดไก่ติดตัวทุกวันวันจะตายไม่มีแรงเชือดนอนแท้งอยู่เห็นพระมาบิณฑบาตติดเรื่องใส่ตายลงในขณะจิตนั้นไปชุบติ เขามีอสัญญักรรมที่ดีกรรมดีที่ตอนใกล้ตายกรรมทั่ตอนใก้ตายเราทำไปได้ตอนนี้พวกเรายังไม่ใกล้ตายใช่ไหมยังไม่ได้ทํำแต่ยงไม่ได้ทําอสัญญักรรมเลยแตัดทิ้งไปก่อนอตลาดนี้ปิดการมัดอาชญญนติกรรมกรอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดคือกรรมที่ทํำบ่อยถ้าหากไม่มีทะลุกรรมเนื้อนันติกรรมไม่มีอสัญญักรรมเมื่อใกล้ตาย กรรมตัวนี้จะพาให้เราไปเกิดอาริีพกรรมจิตของเราเนี่ยตัวเราเป็นคนหรือจิตของเราเนี่ยเที่ยสร้างกรรมต่างๆตลอดเวลาเช่นบางทีเรานั่งเพ่งเราคิดถึงการติดใจก็เล่นเพ่งเข่งท้าวเพ่งท้องเพ่งแนี่คือการกระตุ้นอารมณ์โลก ถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็คิดถึงธรรมมากคิดถึงอะไรที่ดีดีคิดดีพูดดีทําดีมันก็เสร็จสุดตี่เป็นมนุษย์หรือเดวดามีโรคก็จะต้องมนุษย์เัวดาียวเรายกย่อยแยกมากแต่เราปฏญาต์เะว่าพูดดีคิดดีทําดีก็ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดานัื่งเท่งเราก็เป็นโคลมถ้าใจมีความโลภเราจะเป็นเปลือกจัรกลายอย่างเป็นต้นมาก มาอยู่ที่นี้บ่วงบ้านมีความ่วงเป็นโลคัสความหวงความรมีนี่เป็นโลคัสความอยากจะได้นู่นอันนี้ภาพของสวยของงามอยากได้แบบนี้โลคัสตรงนั้นอันนี้จะเป็นเกเรตโลคัสอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าคิดผิดแค่ความคิดความเห็ุถ้ามีนิสัคิดผิดก็เรื่องหนึ่งคำเชื่อบุญไม่มีบาปไม่มีพ่อแม่ของไม่ได้มีบุญคุณอะไร อันนี้มีมิจฉาทิฏฐก็คือเป็นโลภะอย่างหนึ่งก็จะเป็นเป็นอสุรกายตัวนี้เราตัดทิ้งไปหมดเวลาเรามานั่งจิบนี่เราไม่ต้อยคิดอะไรมากเราก็ดูแค่เปล็งก็ได้ใจเรามีความโลภเมื่อไหร่เราก็เป็นเปล็งเป็นมนุษย์สเปรโตเมื่อนั้นแต่ถ้าใจเราเหผลอใจเราเผลอใจเราขัดเปลี่ยนเมไหร่นะเป็นมนุษย์เดรัจฉานถ้าเราไปโลงทะเบียนสังกาศเป็นรัจฉานไม่เหมืคะแนน เบอร์ทีหนึ่งก็ติ๊กลงไปช่องเดลิการ์หนึ่งคแนนถ้าใจเรามีโปรสั่งมีความคุกุ้มใจตังวลใจกลัวโกรแค้ น, นอาฆาตพยาบาลอันนี้กลุ่มโกรสั่งจะลงนรกเนื้อโมโหทีนึงติ๊กต้องนรกก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองติ๊กดูสักน้อยคะแนนเราก็จะตอบได้แล้วว่าเราไปลงทะเบียนไว้ที่ไหนอันไหนเป็นหลัก แม่มากเลยนะครับแล้วเก่งแล้วเพ่งแล้วโมหะยันยัด้วยครับส่วนใหญ่ล้วไปเป็นเจรฉาชเนี่นี่เขาทางทีมคุณติมพุตโนไปให้คนมองทำนตั้งแต่แปดปีมานแปดสิบกว่าปีนี่ตรองมาแล้วเหมือนกันอะไรสนใจท็อปทิดไหนต้องไหนไ ลองดูสังเกตตัวเราเองเห็นเศราไหนมากที่สุดออคุ่มใจมากแค่เนี้ยส่วนใหญ่ก็คืออบายนอบายที่เบอร์หนึ่งเลยก็คือในระดับแล้วก็นารมณ์เยอะถ้าเช่นั้นเราไปทำอยู่นะแล้วก็เราจะรู้อะไรพบโอกาสประมาณแปดสิบอร์เซ็ แต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวปิกหนึ่งคะแนนได้ก็คือเราได้เจริญสิหนึ่งคั้คะแนนรวมของทั้งหมดลยทุกช่องหนูนเปรด่ยี่สิบในรายการสามสิบแล้วลห้าสรวมแล้วอยคะแนนนี่ก็คือคะแนนเรสติร้อยคะแนนต้องส่ช่อง บ, บนสุดนั่นแหะ เสร็จแล้วเรจะรูตัวเองเสร็จแล้วน้เราจะบาดเจ็วเกมนนะเล่นหน้าร้ก็หนาวเล่นหน้าร้นี่ยหนาวเลยแม้สายก่อนแต่ละหางหนาว กับปิติ๊กเด้ยบอกให้เขาปรับอยู่ตอนนี้ดย๋ยวก็จะปรับมาให้ใหม่เนี่ยเราติ๊กอูสักครึงชั่วโมงก็สำบร็จนะนวนะนเพราะว่าไวมากเลตอนนี้หลืออะนี้ยกกุกันได้เป็นคะแนนน ะ, นะโมหานยังน มก็เอากต้ากันเาโยกมได้แต่ไม่ตอแล้วเพื่อนเยอะ้องกัวไม่เงียบเหงารอกหลงต้องยังินสักใหญ่ปลานี่อยู่บนีนเป็นหมือนหนึ่งตัวอบอุ่เหมือนหนึ่ง่เห็นเสื้ออยู่เหมือนเยอะ ความโกรธความเสียบากความกังวลใจความกลัวความเศร้าโศเสียใจมีตะกุโรขะโลหะก็มีสามโรคความปวงความเจ็ีความหงายแล้วก็พวกเก้วที่ปิดทั้งหลายตะกุโลหะโมหะก็มีความึงเตาความฟุ้งซ่าความลังเลสงสัยอย่างนั้นที่ ถ้าจะปฏิบัติยังไงดีนะไอ้ติกเลยโม่เหรอแต่เป็จอโปลตบเรียนฉาดมีอยู่ตามตรงนั่นเด็กๆใหม่รุ่นๆรุ่นอ่อนัวนี้ตัวนี้เริ่มแก่กันแค่ก็เล่นเส็จแล้วก็ถามอ้าวเป็นอะไรติ๊กเงยข้าศึกเลยบอกอเอเป็นเทวดาครับคิดแต่เรื่องบุญกุศลคิดแต่ธรรมะเยอะ ตัว น, นี้เป็นอะไรเป็นเปลืข้าเหลือห่วงบ้านตลอดเลยเปนตัวนี้นนนนนเป็นอะไรสโลกครับทุ่มใจ อ, อกกับอยู่ถามผู้หญิงประตูเป็นอะไรเป็นมา้ากันโอ้โหไม่ต้องลงไปรับลงเกิดปีชีพต้องแค่เป็นเรกชาิก่อนยึดต้องมานแยกทศีทศแตเพี้ยนนี้มันมีกับ ย, ย่อยเป็นตัวแยก เราเล่นเล่นกรุ๊ปใหญ่ๆพอแล้วก็มีโลคันก็คือนเรดอสุรกายโมหะก็เต็นลฐานโกตะนรกแล้วก็ถ้าพูดดีคิดดีทําดีก็เป็นเจวดาเป็นนุษย์ไปนั่นั่งเท่งนั่งจ้างหะก็เป็นตุลมาโลกไปเป็นกระงไปเทสกรุ๊ปใหญ่ๆอันนี้ก็พอมันก็ปีการหัดเืริญสตินี้ หนักแต่งจิดตัวเองให้ออกส่วนมากที่บอกว่ากำลิงสติไม่เป็นดูจิตไม่เป็นนะให้ติกนิดติกได้นะเออแล้วนนเนี่ยดูออกไหมเห็นไเนี่ยมันดูง่ายจิงๆแล้วการปฏิบัติมันง่ายกว่าที่คิดเลรู้เขาไปเลยสิรู้เข้าไปใครๆก็รู้ได้เห็นไมใจจิตที่นู่นอีกหนึ่งดูออกไหมไม่ใช่นิ้วหัวใจเตือนหนีไปที่นั่นต้องรู้ทัน เร็วเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ากินเป็นของง่วงหวก็เร็วเที่ยวไปเร็วแตะมือระดับพระพุทธเจ้าบอกว่าเด็กก็ต้องเร็วแต่ว่าเราต้องทำสติเราไม่เร็วขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไม่ใช่ทำทุกอย่างทุกค้าลงเรอยเรื่อยใหญ่แทนที่จะฝึกสติที่ไวมันจะไปฝึกอารมทุกช้าเดินก็เดินทุกช้าทำอะไรก็ให้ช้ากาไม่ด้กินหรอกกีนร็นี้ช้าหร เลยแต่วันท่นี้ไปที่เดียวกันันเลยใมบื่อออกไมแต่ <c oughs> ลยไปไม่ <c oughs> ตัง้งใจฟังฟังฟังแล้วรูอสึกได้แล้วในคะแนในใ น, ในใรายการเราดูนะแล้วจะหนาว <c oughs> หนาวจร้งพริงเห็นไหมใส่ไนั <c oughs> ไนแล้วใส่กัน นี okay. ่แหละทีลัราถนัดคำว่าปฏิบ <not> ัติจริงนัดเดียวปั๊ปั๊ปัเล่นเาเสรถ้าใส่เล่นเกมนี้แล้วไม่แตะบ่ไปใส่ไมเล่นเกโดยจิโดูใจไปเดียโอกาสสูงไหมเหม่อ ดูออกนี่ยังว่ามือเห็นไหมขอบอกแล้วขอบสอนวิชาหมอดูนักเรียนง่ายบางคนภาษาสรรมะนักตื่นเลยแต่หนละัง้าเปลี่ยนใหม่จะสอนดูหมอตื่นหมดเลยโดยเฉพาะญิงเรียนถึง มันลาบากนิดนึ่นะที่สร้างเครื่องมือตอนนี้มีให้ด็อกเตอร์ตะยาวจะเป็นอธิการเก่าของตัวผู้นั้นทายอายุเพิ่มสสี่ีอายุตั้งแต่สิบสี่เป็นด็อกเตอร์แขก่พิ่สร้างเครื่องมือตอบอกว่าเส็จแกะปนเออย่างแกสอนในคลาสเอแกก็บรรยายไปแกก็ให้เด็กคนหน่กาแฟถือ้วยเลยแกก็หยิบ้วย นึกออกไหมตอนที่เด็กเดินมาเนี่ยทคนดูเด็กแล้วลืมตัวงนี่แหละเรียกว่าสง่งจิตออกนอกที่เรหลงแล้วใจไม่ตั้งมัน่นแล้วหลงแล้วเขาตั้งซึงหายแล้วนะแยกหยุดอยู่ในเ น, นื้อนะไปอยู่ในฝูงปลาเนี่ยนะทีแรก แล้วก็ไปยาวไปเขียนเป็นช่างๆในเขตช่างช่างละวันละน่นนี่ช่วงโมงเดียวก้อม่ความิแล้วงแข่และไปีก้วเป็นธรราเมื่อฝึกมากข้ามมากข้ามก็จข่งเรื่อยขึ้นเรยขึ้นไ่ึกมากข้ามาข้ามเราบังคับตัวเองให้ขึ้นขึ้แ่น้นะ่ชรับคับตัวเีงไม่ให้เผลอ แต่ เ, เรารู้ได้เ ล, ล ย, ยเลเเขึ้นอย่างนี้พอเคยเจออะไรแล้วเราก็เกิไปเป็นผีข้ามเออไม่อยากจะรักเนะนึกไว้ว่าอีู่ของนรกแล้วมีไหมไล่เป็นกระดาเต็มทีแล้วนี่ก็เราเต็ใหญ่ แต่ตอนนี้ไม่มีเลยรับเผยเาไปญี่ปุ่นที่สมุันแย่นะครับมันแย่เลยมันแย่เลยมีแล้วมันตั้งข้าวแล้วลงนก่งตามเหรอลอดูโทรศัพท์เราลองดูโทรศัท์าไล้แล้วรู้ว่ามันยากตลอดเล แต่ล่าจไปเี่ยวเล่าถวายครูบาอาจารย์อื่นแล้วบอกหลวง่อสามโมกตอบวาไม่ต้องเดินตรงมนั่งสมาธิทั้งทีไม่เคยตอบอย่างนั้นเลยกิเลสหนึ่งสอนให้แต่บอกให้มีสติยืนเต่รู้จุดตัวทั้งันไม่ได้บอกเลยว่าอยากไปเดินตรงๆนั่งสมาธิพูดเอาเองหลวอบางทีนี่ไปชุ้มช้าถ้าเ็ลวงพ่อสามโมทจบอกไมต้องเดินชรงๆนี่สติแตกขึ้นก่อก เาลที่ท่านเคยมาเรียนนัไม่ได้สอนอย่างนั้นนะใส่เด็กจะพูดเอาเองก็เด็กที่ยังตื่นยู่ใมกรงคือตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งเสึ่งนอนตีทุ่มเวลาทั้งหมดเลยก็คือเวลาเจริแล้วก็เวลาเปนั่งทานข้าวแล้ว การสอบภาษากมมีละานาที่พักตืนไห็จแล้วไม่ได้อ่านเรื่องไหนเลยที่ว่าท่านจะตื่นตอนตื่นตอนไม่นอนเลยตอนนั้นไม่ตื่นเลยคือตื่นหรือใส่หรือไม่ตื่หรือว่าพอดีกลางวันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กูบาลาการจะส่อให้สังเกตตัวเองว่าทาอะไ ร, นะไะ แ, ละระแล้วสติจำเป็ั่งยืนนะแล้วอดีกับเราถึงท่านจากกูบาลท่านรูน้สึกว่าท่านตื่ทั้งวันคือเนี่ยดีกั่ท่างสติทัดีนี่ก็เลื อ, องตางกันที่ตัเใต้ตีหวปูเื่งที่พัทลุงแมาเคยเอท่าน้หลับี่สิบีแล้วท่าบอกท่านไม่นอนมาสสาปีาอามอหลงปูไ ม, นนม ไ, มไม่นอนมันสบายนะี่ใช่ว่าไม่นอนเพสาบานะ บอกไม่นอนแล้วสบายจิตใจสบายร่างกายสบายคงไม่ได้หลับนอนเมื่อคืนมีใช่เดินด่านกันนะครับเออแล้วท่านเองก็ังไม่ลงนอนอยู่เดทสามีดีอยะหมดเดินเดินนั่งหรืออย่างหมอพัชาท่านอบไม่ดีนะมีลูกสิบเดทสามด้วยควรจะกินข้าวแค่ไหนถึงจะพอดีฉันบอกว่าต้องดูเอง ถ้าทำแค่ไหนแล้วสติธรรมิชนญางดีก็ตรงนั que que ้นนะดีอย่างหลวงู่ั <t> ้มเลยต้องขันข <t> ้าวให้ดีแล้วภาวนาดีบางองค์ก็อดข้าวแล้วรนาดีหงปูฟปั้มหรือโลงชาก็ต้องอนบางองค์ก็อดนอนแล้วดีถ้าดูตัวเองนะอันไหนดีค่เรามีใช่ดีอาการเคยทำเงก็ทำตากันเห็นได้เลทกคน อยู่ตรงนี้เราตัดสินกันตรงนี้ตรงว่าเรารู้สึกตัวได้ไหวแต่รู้สึกตัวได้ถูกต้องคุณการทีเชื่อมโยงทั้งนี้อะไรมาที่ทำมาคือที่เราถ่ายที่สุดขอรืแต่ั้ท่าตัใ้องเปยรู้อนเรีรู้ก่อนทรู้ก่อนเห็นเนี่ทำอะ สมัยที่อาจารย์มาเรื่องธรรม้วไปเริยนอย่างโมกุฎูนโุไม่จะบอกให้เดินกงลทั้งวันคือไม่ไพูดเลยไม่พูดถึงวิธีการบอกว่าอ่านหนังสือมาบ้าแล้วแต่ไปนิยาะจิตเองแต่กลับไปทำเอาเลาจิตตัวเองนี่ทายัางไงตอนนั้นรับราชการอยู่สภาของนลวงปูคือเช้าวันจันทร์ว้วันจันะทร์แล้วขี้เกียจยงรงเลยขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจปฏิบัติเสร็จแล้วืองเช้าวันศุกร์้สดชื่นจริงเลย รู้ว่าสพชื่อแม่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่ทันยืมตายเราอยู่บนเตียงนึกได้วันจันทร์ไงไ่แห้งแรงแหงไรงก็ต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำาน้าหนาวนี่อาบน้าในตุ่มแดงตุ่มเย็นไปเห็นตุ่มนี้ได้ไปหยอกว่าไปหยอกก็ปฏิบัติละน้าแล้วทานข้าวเห็นกับท้าว่างนี้ดีใจ่เหนกับข้านที้เซ็งที่ปฏิบัติเท่านั้นเออกมาขึ้นรถเมย์โอ้โหเต็มป้ายรถเม เหนื n อยแล้วเบื่อรู้สึกเหนื่อยหน่ายน่นื่มาแล้วเหนื่ว่างผิใจนื่อยวาง้วอจอดี่นใจดีใจเป็นคลุยปิบัต่นันเางานดการงานดูดูได้ต้องเิดจากการทงานไปิดกทงานชมัช่มต่างชักหน่อย เปื่อยถ้าขี่เกียจอยากหย่อเร็จเร็วหรือว่านี้ทำงานได้ดีรู้สึกดีใจดีใจรู้ว่าอยดีใจนี่ปฏิบัติกันตรงนี้ทํางานในยสองชั่วโมงน่ะไปเข้าห้องน้ำนะ่ะลุกขึ้นมารู้สึกตัวดับเงินในห้อ ง, งน้ำดีกว่ารู้สึกตัวเสรกลางวันไปทานข้าวเห็นอาหารดีใจดีกจกลับบ้างกลางคืนไมหว้ตงสวดมนต์ น, นั่งสมาธินิดหน่อยเงินตรงตรง แต่ต้องฟังรู้สึกตัวไเ๋ยจะหลับเองเคลื่อนไหวก็ู้สึกตัวีไมเคื่อนไหก็สองนอเนี่ยเดนเป็นน้องแต่งนีู้สึกอย่างนี้นี่เราต้องดูว่าอะไรที่เราทำจะติทำให้เป็นยดีนะครัคุ้กานดีขึ้นนะใจใจยินดีรู้ว่าสิ่ดีนั้ รู้ทำไปได้ดีลัลลกษณะดีไม่ได้ร่าครองไม่ได้บังคับทรอนี่แหลสุดยอดตรงการวัตถุอจะมาทำอยู่ปีเดียวเลยเข้าไปในวันป่าหน้าป่าฐาให้โยมตัวงว้งโต๊ะทำยังไงรักทำยี่สิบปีใช่ไหมผมสักการณ์นานทั้งวันนั่น น, นั่งวันหนึ่งเท่าไร่นั่งแปดชั่วโมงแปดชั่วโมง เราตัประมาณปทำประมาณปีแปดชั่วโมงเดินสมาณปีแปดชั่วโมงท่น้ทําแั่บ้านก็เสียเวลายเยอะของเรานีนน่อยู่ในเรืองต้องกัองข้างทั้งมันรถติดเนี่นํารถเข้าปากโมโหแล้วมีอะไรต่อสู้ทั้งวนก็ไปบทเรียนให้บทเรีย น, นรูน้การเจริญสติจึงบอกว่าต้องใช้จิตารศาสนาธรรม น, น, นั้นศนาคนเมือเราจะไปนั่งเงียบ เงียบได้ยังไงไม่มีเวลาได้ความจำเป็นจะาังคับเราเองต้องไป้ี <Right. S 2> ิีนี้นะพนะเราจะยานี้ทันจะไม่ต้องให้พอนนะพอนี่หลังเอ้นะตอนนี้เราต้องทำเราองเพิ่นที่เป็นยังไงกับมอเตอนจะใส่มารับอะไร ตั้งมาบันวอเตยแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มารับกกันจับนยดกันเลยมีบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์มานี่แล้วก็นัดกหมอเตอร์ไซค์มาล็จกจักนเี้ยสิบรถตายนะไม่ไม่ได้่งมอเตอรไซค์มาบยไว้มนก็ะรแนะนำงานกิจอะไรเป็นเนี้ยทำเป็นเรื่อยๆนะ ปีก่ยอย่าไปเกลงเงนขึ้นไปอย่าไปตั้งข้ามไม่ดีักแต่ถ้าใจฟูงสร้งมากก็ตั้งตัวสงบตั้งสมาัิมากมันฟูงมันเหนื่อยโคตรแล้วครับทำแล้วไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ผเไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องพุทโธไปเรื่อยต้องพุโธพุทโธหรือท่าอะไรก็ได้มีแฟนยังแฟนท่างชื่อแฟนอะไรก็ได้ท่องพุทโธนี่อย่าทให้เรื่นช้า มาถึงที่ว่าพุโทโธแล้วเป็นเขียนพุโทโธถูกรู้ไปเ้ืยคคำว่าพุโทโนี้ถูกเรารู้รู้อยู่ต่งางหากเพราะว่ามันเป็นเป็่องที่่งอย่าไปกลัวจิตสองโลตอนนี้มันไม่ถึงถามในพดโธเพิ่มขึ้นหน่อยหนึงก็ยังได้ใจเราไม่ตั้งอยู่บนฐานอีกยังออกนอกนี้นนมันทำกรรมฐานได้ไหมเป็นไรสักนองหมายถึงยังไงครับ่ไม่ถึงาน ใี้ควา ม, มรู้สึกตัวเราเนี้ยมันไม้ตั้งนั่งต่อมันแผลตั้งรู้สึกไหมว่าเหมือนกระจารอบๆตัวเรารู้สึกมีกระจายออกไปตัวอกไหมันไม่รวมตัวเข้ามามีกระจายเกินไปอย่าอัดนะของเราก็ดีแล้วอัดเข้ามาก็กหิบแงตันะวอกเลยเพราะกระจายออกมาก นเป็นเลยว่าเป็นมากอ่อน <ừ. S 1> เป็นเนยองแต่เติมมันโมหะเลยเยอะตอนนี้โมหะมันน้อยลงปรับยิงนิดเดียวดีขึ้นนาก็เใช่เร็วลงแต่ว่าใจยังตั้งของกำลังสองเป็นคล้ายๆสมมติว่าติดเป็นใส่แดงเนี่ยอโยมีอยู่ในในในในที่แขขาว ฉันใข่ดาวเลมันจะอยู่รอบนอกอันนี้รอบรอบเนี oh <t <t <t ่ยวิธีการก็คือทำสมรรถภาพที่ไม่เปี่ยวพอใจสงบใจจะรวมตัวลงรวมตัวลงแล้วสึกตัวไปเลยรี้สึกว่าช่วงหลังตอนเดินสังลม พอมาจุดในชุดมันจะมาตกมันไม่นักเป็นที่หบ้กตีนนี้โนะย่แต่เดิม น, นี้โย่อัดเลยแน่นเลยเหมือนก็นรู้สึกนี่ตอนนีโยมทิ้งโยกคลายออกคลายออกนี่มันก็ไายเวอร์ไปแรงมา <laughs> มกนึกออกไหมแต่เดิม น, นี้อัดตีนไม่แ น, น่นแน่นพลึกแข็งแข็งขึ้นคิดที่ะมาบอกว่าไม่เอาอก่าง น, น โยก็ยกิ้มดีตอนจิ้มแล้วเนี่ยจิตมันาหมดมากเลยเพงันมันยังไม่พอดีเราต้องคุดโซ่เีุ่ดโซ่ต้องแตกกะายเหมือนท้องลินเนี่ยโซ่คุดโซ่หมูคุดโซ่ตะมัวสังโซก็ได้ถ้าเป็นนับเหมือนกัคือกาไ ด, ได้ได้ได้อะไรก็ได้เพราะถมันจะเบากว่าแ่เดินราที่เบาเบ ให้จิตมันรูอ้อารมณ์คนเดียวไม่อยากไปทำนะไม่ทำมันจะเด่นขึ้นอีกเนี้นนนนนนนนเนี่ยเน้นี้ยจริงๆแล้วการปฏิบกติเนี้ยมันไม่ส่งนอกรันสน่งอนนะอันเป็นชาติที่เป็นกลางกลาเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีนอกมือ ทำเล่นๆนะโยทำเห็นทำเล่นๆไม่จริงจังอินทุก l นเนี่ยได้ร o องเงียบอยู่โดย แมนมันไปศึกษาอะไรเอาไปรู้งอของอะก็ถึงตรงามรู้ว่าไหนมันอเกิดป็นความรู้สนัมันที่รู้ยงเป็นตามถ้าเราเห็นวกก็ให้วป็นหลัาัน รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะอันตรธานะชื่นแงใจมากแผดๆดูออกเช่ไหมนี่มันสึดโต่งเก่าฝันเกิดครอบคล่อยไม่จงใจก็แขกสร้างเกินไปเจยูรู้สึกไหมว่ามันเหมือนกระจายมันกระจายแล้วเรียบรูดตัวอยู่ขอบๆนอกๆเห็นเห็นสภาวะอย่างที่บอกนี้ไหมพอจะเป็นเกลอกไหมมันเหมือนสร้างนี สา้างออกไปแต่มีขอบเมืองเลยแต่ว่าถ้าฝึกไปถึงจิตหนึ่งเลยนไม่มีอะไรไม่มีข้างนอกไม่มีข้าไในนะจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดสิตแกร่งสิ่งแวดล้อมข้าง น, นอกจะกลืนกันเดียวกันหมดเพราะนั้นมันไม่มีอะไรต้องรักษาเพราะมันไม่มีอะไรจะไหลไปที่ไหนลนะแต่ของเราเนี่ยถ้าไม่อัดเข้ามาก็กระจายออกไปเพราะงั้นถ้าอัดเข้ามาก็รู้ว่าอัดเข้ามา ถ้ามันสร้างออกไปโยไม่ต้องทําอะไรถ้าโยเห็นตรงที่มันแผ่สร้างรู้ว่ามันแผ่สร้างแค่นั้นพอโยวไม่ต้องไปทำอะไรคือพี่ให้ให้ยุโซให้อะไรเนี่ยเพราะว่าจิตแลมองเองไม่ออกแล้วมันกระจายไปหมองออกแล้วว่ามันกระจายบาเหรู้รู้ใช่ไหมถ้ารู้ไม่เกิดอะไรรู้ไม่ต้องแก้นะคือให้โยรู้เท่านั้น พายุรู้เราใช้ได้ครับหรือจิตเป็นศาสนาเพียงบางทีมันรู้ทันอย่างเวลามันตัดกันม า, าบางครั้งที่รู้ทันมันก็หายไปเลยเออเอย่างเงี้หรือมันไปนจายออกไปถ้ารู้ทันมันก็หายและถ้ารี้ทันถ้าอย่งนั้นอยมไม่ต้องไปแก้จารแก้ทั้งหลายนี้เราทําสําหรับคนที่ไม่รู้ทันที่นั่งแก้อาการแต่ถ้าเราสามารถรู้ทันอาการไม่ต้องแก้อาการทั้งหมดแสดงใจรักกันอยู่แล้ว ทำไมจะต้องทิ้งอาการหนึ่งมาเอาอีกอาการหนึ่งซึ่งก็แสดงใจรักเหมือนเหมือนกันทั้งหมดแสดงคามมันเยื่อมัอยู่แล้วบางทีมันก็อยากแก้มันก็อยากแก้ดูอะไรอยู่ข้างในแล้วนั่นเป็นติดฟิซมีซ้ำเติมก็โยรู้สันมันก็ใช้ได้ะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าดีขึ้นถึงบอกว่าช่องนี้ดูกแบบไหนดีซึ่ง เมื่อกี้มันกิดใจมาก เ, เลยตอนนี้เป็นอัมกมะแล้วรู้ไหมถ้าอยากจะมาจงใจจะทาํามาตั้งแต่ตลอดรู้ทันรู้ทันที่จงใจให้รู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้พอจงใจพ็รหนับลงจงใจก็ต้องทุกข์แหลยแมนะ้ความตั้นหาที่ทําให้เอาสติไปคำนวณทําให้ทุกข์เกิด คือคําสอนเรื่องนิเสเลติณฑ์นี่พอเอาไปกําหนดรู้อารมณ์นะความทุกข์ก็เกแล้วเรื่องหลังก็คือความอยากจะปฏิบัติความอยากตัวนี้มันจะอุปาชาแต่โยยังเห็นไม่ถึงกัวอุปาชาไม่เป็นไรให้รู้ทันถึงที่อยากแล้วยังต้องใช้คําวิธีคําั้นหต้องวัดเลยถ้ารู้ทันเนาะถ้าไม่รู้จะทําไงก็บ่อยจะทำ เพราะว่าการทําสมมติฐานนัคือแนวตั้งรับในสุดท้ายของเราถ้ารู้จิตได้ก็รู้ไปรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเคลื่อนไหวไปรู้กายไม่ไหวแล้วนะเลื่อเสื่อไปหมดแล้วก็ทำสมมติฐานทสมมตินานไม่ได้ก็ที่ไม่มีแล้วถึงไม่ได้ปฏิปันแล้วรูนก็คือแนวตั้งรับนี้ทำสมมตินแล้วจิตใจมีกําลังรู้กายเคลื่อนไหวไป ม, มีกําลังมากกว่านั้นก็จะเด่นจิตใจที่เคลื่อนไหวไป กลุ่มอย่างนูกงนี้เข้ารู้ไปเรื่อๆในี่สุดเขจะเห็นธรรมชาติอีกอันนึ่งี่ไม่กลุ่มเหนือนการกลุ่ทั้งหลายแล้วก็จะไม่เข้าไปแทแ ก, กแต่งการกลุ่มลรอจะกลุ่มอะไรก็เรื่องของมันรรมชาติอย่างนี้ยังหลาก็ฝึ่เดีวยวก็รอก แราพักตับเวลาคุณได้ยินเม็อยู่ยูจะอยู่อย่างนี้ได้ที่นี่ ม, มีงานกังวันร้านปลิวต้นไายก็ไม่มีที่จมกลงก็มีที่เดียวนี่มาแย่งไั